พท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละบา มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะสัจจาความเชื่อเชื่อในบุญเชื่อในบาปเชื่อในความบริสุทธิ์ของใจว่านำความสุบมาให้กับจิตใจดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้การทำบุญใ้ ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทำกันเป็นประจำขั้นแรกเราเรียกว่าทานทานแปลว่าการให้แบ่งปันสิ่งของเงินทองประโยชน์สุขที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่เราไม่เดือดร้อนเราก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น การให้นี้ก็จะทําให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาบุญนี้แปลว่าความสุขใจเป็นอาหารใจเป็นอาหารทิพเป็นทรัพย์ทิพเพราะใจเป็นว่างทิพเป็นกายทิพเป็นสิ่งที่ใจจะเอาติดไปกับใจได้ถ้าเราไม่ทําบุญ เวลาใจของเราต้องจากร่างกายนี้ไปใจก็จะไม่มีติดตัวไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีบุญติดตัวก็เหมือนกับคนที่เดินทางแล้วไม่มีเงินทองติดตัวไปจะขึ้นรถก็ไม่มีเงินซื้อตัว๋วจะขึ้นเรือขึ้นเรือบินก็ไม่มีเงินซื้อตัว๋วจะกินอาหาร ก็ไม่มีเงินซื้ออาหารก็จะไปแบบขอทานต้องไปขอส่วนบุญของผู้อื่นที่เขาอุทิศให้อย่างพวกเราเวลาที่เราทำบุญเสร็จแล้วบุญที่เราได้นี้เราก็แบ่งให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปแบบเศรษฐี หรือไปแบบขอทานเราไม่รู้ว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้ทำบุญไหว้มากน้อยเพียงอยด้วยความรัดด้วยความกระตำยูเราก็เลยอุทิศบุญส่วนหนึ่งไปให้กับเขาเพื่อถ้าเขาไปแบบขอทานเขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ ซึ่งเป็นเหมือนกับเงินทองในโลกที่พอเขารับเงินส่วนนี้ไปเขาก็จะได้ไปเสื้ อ, อาหารซื้อตั๋วรถซื้อตั๋วเรือเพื่อที่จะได้พาให้เขาได้ไปสู่ที่ดีต่อไปได้นี่คือบุญบุญนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการให้ของที่เรามีอยู่ ของนี่เรามีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเราให้เขาไปพอให้แล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจก็เหมือนกับเราได้รับประธานอาหารทิพย์ใจเราเป็นกายทิพย์บุญนี่เป็นเหมือนอาหารทิพย์เป็นเงินทิพย์เงินทองทิพย์ที่ใจของเรา มีพกติดตัวไว้เผื่อเวลาเราต้องจากโลกนี้ไปเราก็จะได้มีอาหารมีเงินทองติดตัวไปการให้นี้ไม่สำคัญว่าใครเป็นผู้รับสำคัญอยู่ที่ผู้ให้ว่าให้ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์หรือไม่คือให้โดยที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการ สิ่งตอบแทนจากผู้รับแม้แต่คําว่าขอบคุณหรือการกระทำอะไรต่างๆเช่นแม่ให้เงินลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการว่าจ้างเป็นการซื้อขายทำอย่างนี้ไม่ได้บุญคือใจจะไม่มีความสุข เพราะอะไรเพราะว่าถ้าลูกเอาเงินไปแล้วไม่ทำตามที่แม่บอกให้ทำแทนที่จะมีความสุขใจก็จะมีความเสียใจได้ดังนั้นการทำบุญนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ว่าให้ให้ของไปแล้วต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมา เป็นเหมือนกับเราไปซื้อของที่ร้านเราเอาเงินให้เขาแล้วเราก็บอกว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็หยิบมาให้เราอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายไม่ใช่เป็นการทำบุญถ้าเป็นการทำบุญแล้วให้เขาแล้วเขาจะไปทำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเรา เพียงแต่ว่าเราอาจจะติดตามดูพฤตกรรมของเขาได้เช่นเราให้เงินเขาแล้วเขาเงินไปซื้อสุรามาดื่มอย่างนี้ขราต่อไปเราก็อย่าไปให้เขาเพราะว่าเป็นโทษกับเขาไม่ได้เป็นคุณกับเขาถ้าเขาเงินไปซื้ออาหารไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้ อ, อยารักษาโรคอย่างนี้ ให้เขาแล้วก็เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเขาเราก็ให้ไปแล้วเราก็อย่าไปหวังว่าเขาจะต้องสํานึกในบุญคุณไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะขอบอกขอบใจเราเราให้เพราะเราสงสารเขาเห็นเขาเดือดร้อนเราก็เลยแบ่งปันความทุกข์ของเขาให้เบาบางลง ด้วยการแบ่งปันความสุขให้กับเขาไปนี่เรียกว่าการทำบุญด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำอย่างนี้จะได้บุญมากจะมีความสุขใจมากคนที่รับนี้ไม่สาคัญจะเป็นพระก็ได้เป็นคารวาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้ได้บุญเหมือนกัน ได้ความสุขใจอิ่มใจได้อาหารทิ่ได้เงินทองที่ติดไปกับใจนี่คือเรื่องของบุญส่วนที่ผู้ให้จะได้รับแล้วยังมีบุญอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ให้จะได้รับจากผู้ที่รับหมายความว่าเราไปให้ของใครแล้วเขาก็ตอบแทนบุญคุณ ให้ของกลับคืนมาเช่นเราปีใหม่เราส่งของขวัญไปให้เพื่อนแล้วอีกสองวันเพื่อนก็ส่งของขวัญกลับมาให้เราอย่างนี้ก็เป็นของที่เราได้รับจากผู้รับโดยที่เราไม่ได้ไปบ่งบอกหรือกาหนดเป็นเงื่อนไขว่าให้ของขวัญคุณแล้วคุณต้องให้ของขวัญกลับคืนมา ถ, ถ้าเขาให้กับคืนมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อยากจะให้อย่างนี้ก็รับได้ไม่เสียหายอะไรและก็บุญที่เราได้รับก็จะไม่หมดไปแล้วผู้ให้ของเรามาเขาก็จะได้บุญเช่นเดียวกันได้ความสุขเหมือนกับเวลาเราให้ของเขาเราก็ได้รับความสุข แต่ข้อสาคัญอย่าไปทำสัญญากันไว้ก่อนว่าให้ของคุณแล้วคุณต้องให้ของเรากลับมาแต่อย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นบุญให้ไปแล้วก็จบเขาจะให้อะไรเราหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเขาให้เราก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียมารยา <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียน้ําใจถ้าเราไม่อยากจะเก็บของที่เขาให้เราไว้ เราก็ไปให้คนอื่นต่อเราก็จะได้บุญอีกตอนะึ่งแต่ไม่ควรส่งของคืนเจ้าคืนคนที่เขาให้เรามาเพราะเขาจะไม่ได้ทําบุญแล้วเขาจะเสียใจแล้วเราจะไม่มีมิตรเราจะเสียมิตรไปได้ดังนั้นเวลาใครให้อะไรเรามา น, นีนรับเอาไว้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจจะชอบหรือไม่ชอบเราต้องตอบ สนองไมตรีจิตของเขา mm hmm. ก็เรียกว่าฉลองศรัทธาอย่างญาติโยมนำข้าวของต่างๆมาถวายพระพระก็รับไว้หมดจะชอบไม่ชอบจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็รับเอาไว้แล้วค่อยพิจารณาทีหลังว่าควรจะเอาไปทำอย่างไรต่อไปนี่เป็นการทำบุญเพื่อให้เกิดอาหารทิพเกิดเงินทองทิพ ที่เราจะติดตัวไปได้เวลาตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นขอทานเราจะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีในโลกทิพย์แล้วการให้นี้เราก็จะมีโอกาสที่อาจจะได้สิ่งตอบแทนจากผู้รับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับจะมีอะไรให้เราถ้าเราให้ผู้ที่เขามีเงินทอง เขาก็อาจจะให้เงินทองกลับมาถ้าเราให้กับผู้ที่มีศีลมีธรรมเขาก็จะให้ศีลให้ธรรมกลับมาจงมีมีธรรมเนียมว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรจากผู้รับเราก็ต้องเลือกคนรับว่าเป็นคนแบบไหนถ้าเราต้องการศีลและธรรมเราก็ต้องเลือกคนที่มีศีลและธรรม คนที่มีศีลธรรมก็มีหลายระดับอย่างญาติโยมนี่ก็มีระดับหนึ่งพระที่บวชก็มีอีกระดับหนึ่งพระที่ปฏิบัติแล้วได้บรรลุทำขั้นต่างๆก็มีศีลธรรมอีกระดับหนึ่งมีมากต่างกันเขาจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าทาบุญกับคารวะญาติโยมก็จะได้หนึ่งเท่า ได้ผลตอบแทนได้ศีละธรรมกลับมาหนึ่งเท่าถ้าทากับพระภิกษุผู้ทรงศีลก็จะได้สิบเท่าถ้าทากับพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันก็จะได้ร้อยเท่าถ้าทากับพระสกิทาคามีขั้นที่สองก็ได้0ันเท่าขั้นที่สามคือพระอนาคามีก็จะได้1มเท่า ท่านที่สี่คือพระอาหารหันต์ก็จะได้แสนเท่าทำกับพระประเจกับพระพุทธเจา้าก็จะได้ล้านเท่าถ้าทำกับพระอาหารหันต์สามมาสัมพุทธเจา้าก็จะได้ร้อยล้านเท่าเพราะธรรมะของแต่ละท่านนี้มีไม่เท่ากันนั่นเองเหมือนกับปริญญาความรู้นี้มีไม่เท่ากัน ถ้าคนจบม .6 ก็มีความรู้ในระดับหนึ่งคนจบปริญญาตรีก็มีความรู้อีกระดับหนึ่งปริญญาโทรปริญญาเอกก็มีมากขึ้นไปเวลาเราไปคุยกับคนจบม .6 เราก็จะได้ความรู้ระดับม .6 ถ้าเราคุยกับคนที่จบปริญญาตรีเราก็จะได้รับความรู้ระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกับโทกับเอก ชันใดเวลาเราไปทําบุญกับพระก็เช่นเดียวกันทําบุญเสร็จพระท่านก็จะพูดธรรมะให้เราฟังให้ความรู้ให้ศีลให้ธรรมกับเราถ้าท่านมีน้อยท่านก็ให้เราได้น้อยถ้าท่านมีมากท่านก็ให้เราได้มากดังนั้นคนจึงมักจะอยากไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าอยากทําบุญกับพระอาหารหันต์เพราะอยากจะได้ศีลได้ธรรม ได้คำสอนจากท่านเพราะบางทีฟังแล้วได้บรรลุธรรมขึ้นมาเลยคนที่ทําบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเขาก็มีหูตาสว่างบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมก็มีบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ฟังธรรมก็มีนี่ก็คือการทําบุญอีกลักษณะหนึ่ง คือทำแบบต้องเลือกบุคคลถ้าเราอยากจะได้สิ่งตอบแทนจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยถ้าเราอยากจะได้ความรู้ทางร่างกายวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไปทำบุญกับหมอไปทำบุญกับโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวหมอเขาก็จะแนะนำวิธีดูแลรักษาสุขภาพ อะไรต่างๆให้แก่เรานี่คือการเลือกบุคคลถ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากบุคคลนั้นเราก็ต้องเลือกบุคคลแต่ถ้าเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากบุคคลเราต้องการเพียงอาหารทิพย์ต้องการเงินทองทิพย์ไว้สำหรับติดตัวกับเราไปเวลาที่เราตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องเลือกบุคคล ทำกับใครที่เดือดร้อนก็ได้หรือไม่เดือดร้อนก็ได้ทำกับพ่อแม่ก็ได้บุญเป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นความกตัญญูกตเวทีทำบุญกับพ่อแม่นี้ท่านก็เปรียบเทียบว่าได้บุญเท่ากับทำบุญกับพาาระอรหันต์คือได้บุญคืออาหารทิพย์แต่ส่วนธรรมะนี้ก็อยู่ที่พ่อแม่ว่ามีมากมีน้อย ถ้าพ่อแม่มีธรรมะมากพ่อแม่ก็สอนธรรมะให้แก่ลูกได้มานี่คือการทำบุญที่เลือกบุคคลหรือไม่เลือกบุคคลถ้าเราไปทำบุญกับพระที่เราคิดว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เราทำบุญเสร็จเราก็กลับเลยไม่รอฟังธรรมก่อนอย่างนี้เราก็จะไม่ได้บุญจากท่านไม่ได้ธรรมะจากท่าน ได้แต่บุญที่เกิดจากการให้ซึ่งเราไปให้ที่ไหนก็ได้เหมือนกันไม่ต้องไปหาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเพราะว่าไปแล้วเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไปไปแล้วเราถวายของเสร็จก็ขอกลับบ้านเลยอย่างนี้ก็ไปที่ไหนก็เหมือนกันไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม ไม่ได้ศีลได้ธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันนั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการศีลต้องการธรรมจากพระที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ต้องใจเย็นๆอย่างที่นี่ก่อนที่เราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ต้องรอการถวายอาหารให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมกันก่อนเสร็จแล้วเราจึงค่อยมี เวลาได้ฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะได้บุญสองต่อเหมือนกับเราไปเติมน้ำมันเวลาเติมน้ำมันนี่ก็เป็นเหมือนบุญเป็นอาหารทิพย์บางปั๊มพอเติมเสร็จแล้วเขาก็มีแจกคูปองชิงโชคก็มีแจกของต่างๆให้เราก็มีนี่บางทีเวลาเราเติมน้ำมันเราก็ต้องเลือกปั๊มเติมเพราะเราอยากจะได้ของแถมกัน ฉันใดการทำบุญก็เหมือนกับการไปเติมน้ำมันเติมปั๊มไหนก็ได้น้ำมันเหมือนกันทำบุญกับใครก็ได้บุญคืออาหารทิพเหมือนกันแต่ของแจกของแถมนี้ต้องอยู่ที่คนที่เราไปทำบุญด้วยว่าเขามีของแจกของแถมอะไรหรือไม่ถ้าเราต้องการของแจกของแถมเราก็ต้องไปเลือกคนที่เขามีของแจกของแถม เราก็จะได้รับของแจกของแถมกลับมานี่คือเรื่องของการทาบุญที่มีทั้งจะเลือกคนทำคนรับก็ได้จะไม่เลือกคนรับก็ได้อยู่ที่เราว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการอาหารทิ่ต้องการเงินทองที่เพียงอย่างเดียวเราทำกับใครก็ได้ปล่อยนอ ก, ป ล, ย ก, ป, ลยนกปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้เหมือนกัน เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็ได้เหมือนกันอาหารทิพทะเงินทิพทองทิพนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้ธรรมะอยากจะได้บรรลุอยากจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องทำกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะไม่มีใครที่จะรู้จากทางที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นอกจากพระสุปฏิปันโนคือพระพระอริยบุคคลสี่ประเภทด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคารีและพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะรู้ทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องไปทาบุญกับพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเราถึงจะได้ธรรมะได้แสงสว่างได้ความรู้ที่จะพาให้เราได้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือเรื่องของการทาบุญที่ญาติโยมมีศรัทธามีความเชื่อได้ตั้งจิตตั้งใจมาทำกัน ก็ขอให้นําเอาไปพิจิต์พิจารณาเพื่อจะได้ทําได้อย่างถูกต้องและได้ผลดังที่ปรารถนา <c oughs> การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอคุณพระสีรัตนใจ <c oughs> และบุญกุศล <c oughs> ที่ท่านได้มาบางเพ็นกันในวันนี้ <c oughs> จงเป็นเหตุ <c oughs> เป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ